ณแหล่งนี้เป็นที่พักจิตณแหล่งนี้มีมิตรที่ยิงใหญ่ณแหล่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของสมุนไพรนั่นก็คือสมุนไพรแคปซูลเพชรดีตรงสีเขียวสวัสดีครับผมผมออสโฟอนะครับผมไม่ว่าท่านจะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามหัวเข่าปวดตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่ปวดหน้าปวดหลังปวดเอวจะปวดอะไรก็แล้วแต่หรือจะปวดแม็กระทั่งกระบังลม สมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยทันได้แน่นอนโปรดอ่านฉลากยากทุกครั้งก่อนรับประทานเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์สามมิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง cross center ศู 32, ยนย์8 8ดห้าหนึ่งแปดแปดสานศูยู่ในสวงครับผม